เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องตลาดรองเท้า <variance> มีบริษัททำรองเท้าแห่งหนึ่ง คิดจะไปบุกเบิกการค้าที่ตลาดแอฟริกาจึงได้ส่งพนักงานฝ่ายการตลาดสองคนไปตรวจสอบว่าตลาดที่แอฟริกาเป็นอย่างไรบ้างหลายเดือนผ่านไปพนักงานฝ่ายการตลาดทั้งสองคนก็กลับมาแล้วนำรายงานกลับมาแต่ทั้งสองคนมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน รายงานการตลาดที่ทั้งสองนำเสนอต่อบริษัทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนแรกไม่มีหวังเลยครับคนที่นั่นน่ะไม่ได้ใส่รองเท้ากันเลยสักคนคนที่สองตอบว่าคงไปได้สวยทีเดียวที่เราจะไปบุกเบิกที่นั่นเพราะคนที่นั่นยังไม่มีรองเท้าใส่กันเลยมุมมอง หรือทัศนคติในสิ่งเดียวกันอาจต่างกันในแต่ละคนถ้าเราพยายามหาข้อดีในสิ่งที่เราพบปะให้เจอเราจะเห็นช่องทางที่มีประโยชน์อีกมากมายในทางตรงข้ามถ้ามองผ่านเลยไปคุณอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยแม้จะอยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดก็ตาม